มิสัชนาท ก, กับท่นานลมตาและลงศักดิ์ขีนายูตอนดูกายเห็นจิตดูจิตเห็นธาตมันรู้ชาหรทกัน้พาเขาเขาพุ่งแข่ไปคือถ้ามันยึดมันยึดอะไรมันยึดได้หมดเลยทํามันยึดกายมันยึดภายนอกได้เ้านยอาารมันติได้มันยึดภายนอกได้มัน ทุกคนเนี่ยมันก็กลัวตายมันกลัวตายทุกคนเนี่ยแต่เราต้องมีอุบายจะปล่อยวางมันทุกคนก็กลัวตายเราต้องมีอุบายจะปล่อยวางมันไอ้หนังสือเล่มเหลืองน่ยปฏิบัติธรรมเล่มหนึ่งที่เราให้ไปเนี่ยเราปรสวดสวดตอนเช้าก็ได้ตอนเช้าเรากินข้าวตอนเรากินข้าแล้วก็เหมือนกับเสกข้าวกิน ไม่กพุทโธธโมสังโฆนโมตนะโมตะสามจบแล้วก็พุทโธพระอรหันต์กุฏังรักษาธรรมโมกุฏังธรรกักษาตะโกเหากันักาทุกโศภวภัยเสนเจริใดใดมีมาความผิดปกติธรรมชาติความไม่สดุธรรมชาติในธาตุทุตั้งขันทุขันในศสตรในพลังงานในกอบ้านใดใดมีมาเส้นมะเร็งเส้นนงอกเส้นเนื้อร้ายเสนนปเปิดโชโรกไสันปิไใดใมีมาพิจริิทิทวนาเกเตัญหา อุปทานวิชาสังโยชน์สิบอะไรทั้งหมดมมาอนัตตาสุ ป, ปาาสุมโมสุนสนธาสุญญาสุนสุนธาเทนะโมพุทธายะธรรมนะสัมปจิตโตปัจฉามิเราก็สวดอย่างเงี้ยต้องสามรอบใส่ใส่ข้าวมื้อเช้าก็ได้มื้อเช้าใส่ข้าวใส่น้ำแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาต้องแผ่เมตตาด้วยเพราะว่าบางทีเรา มีปัญหาเกี่ยวอะไรต่างๆว่าเกี่ยวเรื่องเนี่ยเจ้า ก, กรรมในเวทที่เราไปทําไว้เนี่ยเราก็แผ่ไม่ตาให้แกสัพพะทั้งหลายก็ทําจนเป็นนิสัยกันได้จะได้หมดความกังวลแต่ใ น, นที่เราที่เราเสกข้าวเสกน้ํากินมื้อเช้าแล้วก็แผ่ไม่ตาเนี่ยเราก็ต้องลึกเสมอว่าสัางขารเนี่ยเป็นเครื่องอาศัย สังขารกายสังขารจิตจะไปเคลื่อนอาศัยไอ้ที่เรารักษาไว้เนี่ยไม่ใช่แล้วแ่บรักษาให้อยู่ยงคงพันตลอดไปหรอกคือรักษาไว้เพื่อไอ้มันเนี่ยที่มันพล่องอยู่ทุกวนันทุกวันเนี่เหมือนกับเติม น, น้ํามันเข้าไปน้ํามันรถเราขับมาเนี่ยน้ํามันมันพร่องแล้วก็เติม น, น้ํามันให้เต็มเราก็กินข้าวแล้วก็เติมระสาร สารอาหารเนี่ยเติมเข้าไปตอนเช้ากลาวันเย็นอย่างคารวาดก็กินสั่งสา ม, มื้อก็เติมเติม ส, สารเข้าไปเติมน้ําเติมอากาศเติมธาตุไฟความร้อนเมื่อพลังพระอาทิตย์เนี่ยกลางวันก็ต้องออกมาโดนแดดบ้าง น, นี่แล้วก็เติมพลังงานต่างๆเข้าไปอีกก็เหมือนกับรถเนี่ยเราขับมาแล้วก็เติมน้ำมันทุกวันนี่ย รางกายเราเติมมันเพื่อให้ที่บันพล่องอยู่มันเต็มบริบูรณ์แล้วมันก็ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็อาจจะหายได้โดยไม่ต้องไปหาหมอแต่ถ้าเรามันเจ็บป่วยจริงๆก็ต้องไปหาหมอนั่นแหละไปหาหมอมันก็มีอยู่สามกรณีไปหาหมอคือโรคบางจางไม่ต้องไปหาหมอก็หายเองไอ้โรคที่เราอธิษฐานใส่ข้าวกินก็คือโรคไม่ต้องไปหาหมกก็หาย บางีกรณีที่สองคือไปหาหมอถึงหายไม่หาหมอไม่หายแต่กรณีที่สองเนี่ยถ้าเราเสกข้าวเสกน้ํากินทุกมือ้อไอ้มื้อเช้าอย่างพอแล้วไม่ต้องไปทุกมือ้อด้วยแต่ไปยึดมากเกินไปแล้วก็อาจจะหายได้แต่กรณีที่สามเนี่ยรักษาก็หายไม่รักษาก็ไอไม่รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายอันเนี้ยยากเหมือนกัน แต่ถ้าเราจิตแน่ๆมันคงในพระพุะทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในกุลบารมีคนเป็นมะเร็งไร้แรงนี่มันถึงระยะสุดท้ายมันก็หายได้นะต้องเผ็นม่ตาด้วยนะเห็นมิตาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเสกให้ม่ตายทุกคนตายหมดมตายแต่เพียงเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ประโยชน์ <úsica> พุทธศาสนาประโยชน์อื <Sew ing. S 1> ่นเกื้กูตนเองให้พ้นทุกข์เกิดกุผู้อื่นเช่นแล้วผู้อื่นเนี่ยนทุกข์ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจนกว่าจะสิ้นอายุขายตามเวลาสมควรพอเราเสกลาภิษฐานอย่างนี้แล้วเราก็ปล่อยวางไปถ้ามันเป็นอะไรหนักๆก็ค่อยรักษาเอามันไปไม่หนักแล้วเราก็เราก็ว่ามันอาจจะหายได้นะมันจะได้หมดกองวล แต่สำคัญที่สุดก็คือความไปล่วางนะั่นแหละแม้แต่รักษาร่างกายสังขารยังไงมันก็ต้องตายควาไม่เกิดใหม่เนี่ยไม่ต้องมีสังขารนึกเราควรนึกเอาดีว่าโอ้ยถ้าตายเร็วมันก็ถ้าแก่ตายทรมานมากเลยเนี่ยแก่ตายเดินไม่ได้อนยะ่างเงี้ยโอ้ยมันเป็นภาระคนอื่นนะเป็นเอามาพึกเอามาผพาน เป็นโรคที่มันเดินไม่ได้เป็นโรคที่มันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นภาระคือเราก็ทรมานดยคนอื่นก็ต้องเป็นภาระแก่เราเนี่ยเราก็นึกอยากไปถึงขั้นนั้นเลยไม่ใช่อยากอยู่จนไม่ตายเล็กน้อยมันจะไปเป็นภาระคนอื่นเลย ถ, ถึงขั้นที่มันจะต้องเดินไม่ได้ถึงขั้นที่มันจะต้องลำบากคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นบ่วงยานสังขารหลือถ้าสิ้นไปก็สิ้นไปไม่ต้องไปกังวล อยู่ก็เป็นภาระคนอื่นก็เปล่ากิดอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไม่โหงยายันฐานคือให้มันสิ้นไปตามเวลาสมควรชีวิตที่เหลืออยู่ก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์วัตถศาสนาเกื้อกูลโลกเกื้อกูลทำไปแล้ก็ปล่อยวางต้องการที่สุดคือปล่อยวางปล่อยวางใจาามันปล่อยวางมีอยู่ตําแหน่งหน้าที่การงานครอบครัวทุกคนทนําดีก็ ก็มีอยู่ตามปกติแต่ใจใจเนะี่ยไม่ไไปเข้าไปยึดไอ้ร่างกายเราก็มีอยู่เราปล่อยวางแล้วไงไอ้ที่เราเสกก็ไม่ได้กับเสกข้าวกินในมื้อเช้าเราก็ไม่ได้ว่าจะยึดมันไว้ไม่ให้ตายแต่เราก็เห็นว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงแน่นอนมันก็เหมือนรถเราเนี่ยเราขับมาเนี่ยรถมันก็เสื่อมไปเก่าไปโทรมไปเก่าไปโทรมไปไม่แต่เหล็กมันก็เสื่อมสังขารเราม่ใช่หลายมาหลายปีแล้วมันก็ต้องเราเนี่ยไอ้ที่เราเสก ข้าวกินเศษน้ํากินเติมสารสารเติมพลังงานเติมเข้าไปเนี่ยก็คือตนมน้ำมันเข้าไปนั่นแหละให้มันเต็มถังแม่นพร่องแต่สภาพรถเน่ยก็ไป็นรถเก่าไปเรื่อยๆไปนั่นแหละจะซ่อมช่างดียังไงไ อ, อเสกข้าวกินเศษน้ํากินหาหมอที่ซ่อมเก่งมากมันก็ซ่อมได้ตามสภาพมันของรถเก่าเราต้องนึกในใจอย่างนี้มันจะนึกว่าโอ้เราเศษมาให้ตาย หรือหาหมอนี่มันจะต้องไม่ตายอะไรเงี้ยมันซ่อมจะไปตามสภาพมันสังขารเนี่ยมันก็เหมือนรถเก่าเนี่ยได้ช่างดีขนาดไหนมันซ่อมแล้วมันก็เป็นรถเกา่ามันซ่อมไม่พออยู่ได้แค่นั้นเองสำคัญที่สุดคือปล่อยวางปล่อยวางตั้งภายนอกและภายในเราปล่อยวางไม่ห่วงยยสังขารแล้วข้างนอกล้าก็ทำหน้าที่เสรสมบูรณ์สาคัญที่สุดคือปล่อยวางอาการของใจ การของใจทุกชนี้เนี่ยมันใกล้ใจที่สุดถ้าเราปล่อยวางอาการของใจได้หมดเนี่ยเราจะปล่อยวางทุกอย่างในโลกนี้ได้หมดเลยเพราะไอ้ที่มันมีปัญหาก็คืออาการของใจเพราะมันอยู่ใกล้ใจที่สุดเดี๋ยวใจก็สบายเดี๋ยวใจก็ไม่สบายเดี๋ยวก็จุกจิกจุกจิกจุกจิกอะไรอยู่ในใจสารพัดจะจกุกจิกเราไปให้มันมีค่ามีความสําคัญต่อใจเราหรือเปล่าแล้วเราหลงไปกับอาการเราไหมหลงคิดเปิดเพลินไป เราปล่อยวางอาการนั้นหรือว่าเราหลงคิดเพลินไปหรือเราเห็นอาการแล้วเราเข้าไปยุ่งกับมันไปจัดการมันไปแก้ไขมันไปผักสไปทําคิดจะทําลายมันปรับแต่งอาการอย่างนี้จะเอาอาการอย่างงี้ไม่เอาสลับปรับไปปรับมามันก็หลงแบบนี้มันก็หลงมันแบบเราไม่รู้ซื่อๆมันปู่ทามาหู้สซื่อหู้ซื่อเราไม่รู้สซืสอสสอสสอส่อรู้สซืส่อคือรู้ซื่อคือปล่อยวางหมดปล่อยวางหมดทุกอาการ สุดท้ายอะอาการสุดท้าที่เราเห็นว่าจะต้องปล่อยคือผู้รู้เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยวางผู้รู้ไม่ถึงว่าไม่รู้อะไรนะไม่ถึงว่าให้ให้รู้อยู่เนี่ยเนี่ยสติตั้งทีใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจทุกขณะจิตปัจจุบันทุกขณะอาการเนี่ยทุกขณะอาการของของจิตปัจจุบันปัจจุบันอยู่ในจิตวิบากต่อใจเนี่ยเราต้องมีสติตั้งทีใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจให้ปล่อยวางเนี่ยไม่ถึงว่า ปล่อยวางทุกอาการรวมทั้งปล่อยวางอาการผู้รู้ด้วยแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางโดยไม่รู้แต่ก็รู้อยู่นั่นแหละแต่ก็เห็นว่าอาการของผู้รู้เนี่ยคือสังขารอย่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับอาการอื่นๆที่ถูกให้รู้แม้แต่ตัวอาการของผู้รู้ก็เป็นสังขารรู้อยู่นั่นแหละแต่เห็นว่าอาการที่ถูกรู้ก็เป็นสังขารที่มันปรุงขึ้นมาแล้วกระดับไปอาการของผู้รู้ก็เป็นสังขารปรุงมารู้ไว้อัน ทุท้าเนี่ยคือมันก็คือปล่อยปล่อยจนถึงอาการของผู้รู้นี่แหละแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยที่คนหลายเข้าใจคือปล่อยแล้วไม่รู้อะไรเลยอันนี้มันหลงเลยคือมันรู้อยู่แต่ไม่ยึดตั้งอาการผู้รู้แล้วไม่ยึดตั้งทงเออาการที่ถูกรู้แล้วไม่เลือกว่าอาการดีจะเอาอาการไม่ดีไม่เอาอาการถูกใจจะเอาอาการไม่ถูกใจไม่เอาแล้วก็ไม่เม่อเพื่อเินคิดปุงแต่งเพื่อเพลินจจไเกิดหรแต่รู้รู้ทุกณาจิตปัจจุบันอย่างเงี้ย แต่รู้ด้ความปล่อยวางไม่รู้เพื่อเป็นอะไรเพื่อเอาอะไรละ่ะอย่างเนี้ยถ้าเราสักแต่วรู้จริงๆนะาจมันก็ไม่มีตัวตนเป็นยึดอะไรให้เป็นทุกข์อีกต่อไปถ้าคนมันไม่ไม่ทุกข์แล้วมันก็ไม่เกิดมาให้เป็นทุกข์อีกแล้วไม่ต้องมาห่วงใ ย, ยกับสังขารนี่ไม่ต้องมาทุกข์กับอะไรอีกไอ่เดี่ยสําคัญที่สุดนะอย่างอื่นยังไม่ทึงสาคัญเท่านี้เข้าใจไหม แล้วมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรคาใจฟีกักให้หมดครับวันนี้คนน้อยตอนรู้ที่ที่ที่ดวงตาอ่าบอกว่ารู้เหมือนผมว่าอ่ารู้อาการของรู้ <S <S ก, ก็ก็คือเป็นเป็นอาการหนึ่ง <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับหลวงพ่ใช่มันมันจะทําให้รู้สึกว่ามันมันเป็นนอกๆนยครับรู้แบบว่าเหมือนแบบมันคล้ายๆว่า เอ๊ะจะรู easy, so ้จริงรู้ไม่จริงเละรู้จากอยุดรู้รู้จริงไม่รู้จริงก็ก็ปล่อยวางหมดนะผู้รู้นะครับแต่ก็รู้อยู่นั่นแหละครับสติตั้งสีใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้พุธากะสติอยู่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันปล่อยวางมันต้องผู่เนี่ยสติมก็สติมันก็เป็นสังขารขันสมาธิก็เป็นสังขารขันปัญญาก็เป็นสังขารขันมันเป็นของไม่เที่ยงครับได้ปล่อยวางไปซะ คือบางครั้งที่ผมฝึกปฏิบัติฝึกรู้เนี่ยครับไอเรื่องไหนที่มันไม่เรารู้สึกว่ามันไม่สําคัญคือเราปล่อยวางก็คือรู้ก็ก็รู้แต่เราคิดว่าเอ๊ะรู้เหมือนเหมือนเราไม่ให้พอเราไม่ไม่ให้ค่ามันมันก็เลยรู้สึกแบบมันมันก็รู้พันผ่านไปแต่ว่าเรื่องไหนที่เราแบบมีความสําคัญกระจายเราเนี่ยเราก็จะไปเหมือนถดูดเข้าไปอืมอย่างเนี้ยครับไอ อย่างนี้มันใมายถึงเราเนี่ยมันแสดงว่าเราไม่ได้รู้สตวะรู้ตลอดเวลาเราพอมีเรื่องมีอาการแรงๆเราค่อยรู้วันๆหนึ่งเราจะเพลินมันจะเยอะไม่รู้ถ้าเรารู้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะไม่เราก็จะรู้เองเนี่ยว่ามันถูกดูดหรือถูกผักอาการทั้งหมดเนี่ยถูกดูดหรือถูกผักเ อ, อเราก็ถ้าถูกดูดก็ไปหรือถูกผักเราก็รู้สึกตัวทั้งให้มันรู้สตวรู้หรือว่ารู้สึกซื่อให้ได้ แต่มันถูกดูทุกผลักแต่รู้ก็ไม่ได้ว่าเราจะไปเป็นอะไรหรอกรู้ก็เพื่ออะไรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆคือทุกข์ิริยาอาการไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจรู้ทุกขณะจิตปัจจุบันถ้าขณะจิตปัจจุบันไม่รู้เนี่ยหลงทิ้งรู้แล้วหลงเลยทิ้งรู้ไม่ได้นะทิ้งรู้หลงเลยทิ้งรู้อาการนั้งจิตปัจจุบันเนี่ยทุกขณะปัจจุบันเมื่อไหร่ไม่รู้หลงเลยไม่พ้นทุกไม่มีโอกาสพ้นทุกต้องรู้ทุกขณะจิตปัจจุบันทุกคิดทุกอาการ แต่รู้ไม่ได้เพื่อห้เป็นอะไรหรอกเพื่อจะสักแต่ว่ารู้เพื่อรู้ซื่อก็คือไม่ไม่ไม่ถูกดูดแล้วไม่ถูกผักคือไม่เลือกไม่เลือกข้างรู้ในใจเป็นกลางรู้ในใจเป็นกลางก็ไม่ใช่ง่ายยอมรับไม่ใช่ง่ายแต่ต้องฝึกต้องขยันมากต้องเพียร ให้รู้ในความตื่นตื่นตื่นตัวต้องต้องตื่นวันที่เราเราฝึกคนท่านทั้งหลายให้ตื่นตื่นตื่นเนี่ยต้องรู้ในความตื่นนะไม่ใช่รู้เบอร์รู้หลงหลงอะไรต้องรู้ในความตื่นตัวตื่นตัวคือเราทําอะไรอยู่ต้องรู้ตัวอยู่เนยรู้ตัวว่าทําอะไรอยู่ต้องรู้ในความตื่นตัวว่ารู้ตัวทําอะไรอยู่แล้วก็รู้จิตด้วยรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตเนี่ยคือกายมันทําอะไรอยู่ต้องรู้ตัวอยู่ต้องมีความตื่นตัวรู้ตัวอยู่แล้วก็รู้รู้จิตด้วย ถ้าไปรู้จ่อจิตเฉยๆเนี่ยมันถูกดูดเข้าไปเลยเพราะฉั้นไอการที่จะไม่ให้ตัวจิตมันดูดอาการของจิตมันดูดเข้าไปได้ต้องรู้สึกตัวไว้มั่นคงตัวอยู่ไหนใจอยู่ด้านทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่ด้านทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นคือให้มันรู้สึกตัวให้ชัดเจนมันตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นเราเดินอยู่เราเราเราเดินอยู่ส่วนใหญ่นั่งไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะนั่งหมดมันถูกดูดหมดว่วง ต้องเดินเดินเดินให้มากเดินให้มากให้ตื่นตัวให้มันตื่นตื่นตื่นตื่นแล้วก็รู้รู้ตัวอยู่รู้ตัวคือรู้ว่าเรากําลังเดินอยู่รู้ตัวอยู่ไอ้ใจก็มันอยู่กับตัวเนี่ยแล้วก็รู้จิตรู้จิตทคิด ท, ท, ท, ทุกอาการที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอจนกระทั่งมันสัตว์ตะวัรู้สัตวตะวะรู้แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะสัตวตะวัรู้ได้มันค่อยจะหลงเพลินไปบ้างหลงคิดอะไรม้างรู้ว่างไม่รู้บ้าง รู้แล Leave, ้วค่อยเขาไปยุ ada, um, ่งไปแก้ไขจัดการเน่ยเราให้พุทโธไว้ให้รู้สึกตัวให้ให้ให้ตื่นหนึ่งต้องให้ตื่นตัวนะรู้ตัวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นหลักไว้แล้วก็รู้หมดเลยจิตทุกคิดทุกอาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มันแทรกซ้อนระหว่างที่เราพุทโธเนี่ยแล้วก็เราก็อย่าไปยุ่งกับอาการทั้งหมดเลยทุกคิตทุกอาการให้พุทโธเป็นหลักไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่รู้ทุกคิตทุกอาการนะ แล้วก็ตื่นตัวรู้ตัวว่ากำลังพุทโธอยู่กำลังพุทโธตัวเดินเดินแล้วก็พุทโธไปด้วยเดินไปด้วยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้ามันตื่นตัวต <Yeah, S 1> so ึ่นตัวในการเดินแล้วก็พุทโธพุทโธไปด้วยแล้วก็มันมีความรู้สึกไม่คิดอารมณ์มีอาการอะไรที่แตกต้องระหว่างเราพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเราก็สักแต่ว่ารู้หรือรู้สู้ๆเห็นทุกคิดทุกอาการปัจจุบันพ้เราไม่ทิ้งพุทโธเนี่ยเราก็จะไม่หลงไม่คิดโน่นคิดนี่โพรมันมีพุทโธอยู่ คิดพุทโธอยู่แล้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันว่ากำลังพุทโธอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่หลงไปคิดอะไรเพลินในพอมีระหว่าพุทโธมีความคิดมีอาการอะไรเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันเราก็สั่งตะวันรู้หรือรู้ซื่อๆทุกคิดทุกอาการได้เลยโดยเอาพุทโธเป็นหลักใจไว้ไม่ให้มันหลงไปไม่ให้ถูกดูดไปแล้วไม่ให้มเม่อเพลินไปคิดเรื่องอื่นเราจะทิ้งพุทโธต้องพูดทิ้งแน่จริงๆอปัจจุบัตนเก่งจริงๆมันอาศัยรู้อยู่กับรู้เลยคือไม่ไม่เคยลืมรู้เลย สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจอะโดยอัตโนมัติตลอดเวลาไม่มีหลงไปเมื่อเพ้เอเพลินไปคิดอะไรเลยไม่ทิ้งรู้เลยอันนั้นแต่เขาเอารู้เนี่ยเป็นเป็นหลักใจไปแล้วแต่เรานี่ยังถ้ายังไม่สามารถเอารู้เป็นหลักใจได้มันต้องหาหลักมาเพิ่มช่วยอีกอันคือพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นหลักใจไปคือพอรู้ปุ๊บส่วนใหญ่มันจะกลับมาอ่า รู้ขนาดรู้นี่บางทีมันก็มารู้ลมหายใจมารู้เท้าเนี่ยมันก็ก็ถูกอยู่นะครับก็ถูกไหมคอให้รู้ตัวอยู่อย่างเงี่ยได้ได้คอยรู้ตัวอยู่รู้กายอ่ะรู้กายไม่ผิดหรอกรู้ตัวอยู่เพราะว่าลมหายใจก็คือกายเท้าที่ก้าวเดินก็คือกายครับอยรู้ตัวอยู่ไม่ไม่รู้ตัวคือว่าเมื่อเพลินไปคิดอะไรแล้แล้วก็ไม่รู้ว่าใจมันมีมีความคิดมีอาการอะไรเกิดขึ้นคือแม้แต่เดินจงกรมอยู่ในเราเดินเนี่ย เดินในความรู้สึกตัวเนี่ยแต่บางทีไม่รู้สึกตัวแล้วเราสัเกตด้วยที่เม่อเพอเพลไปคิดอะไรแล้วหรือตาไปเห็นอะไรก็อ๋อไปคิดสิ่งนี้ตาเห็นแล้วหูได้ยินอะไรก็ไปคิดตามสิ่งที่ที่หูได้ยินแล้วอ้ามันไม่คิดรู้แล้วมันเพลเพลไปทางตาเพลไปทางหูเพลคิดอะไรไปแล้อย่างนี้เราก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้กิริยาการที่มันเกิดขึ้นในใจมันมีกิริยาการอะไรเกิดขึ้นก็รู้มันในปัจจุบันปัจจุบันเพราะว่า ไปคาดหมายว่าจะได้อะไรจะเป็นอะไรแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันไม่รู้ซื่อๆมันไม่สับแต่วารู้แล้วก็หมดจิครัตตรงเนี้ยต้องระวังของกล้องอ่ะอย่าไปคาดหมายว่ามันจะเป็นอะไรแล้วก็เราก็ไม่ไม่ได้ไปรู้เพื่อเอาอะไรอ่ะก็มันรู้ไปสักแต่วารู้ไม่ได้ไปรู้เพื่อเป็นเป็นอะไรจะเอาอะไรแล้วพยายามจะรู้เพื่อ้เป็นนู่นให้เป็นนี่มันก็เลยพยายามจะให้รู้ซื่อๆ พยังไม่ห้สักแต่รู้เลยมันเครียดเลยไม่ไม่ใชรู้เพื่อเอาอะไรเอาเป็นอะไรให้แค่แค่เด็กสักแต่รู้สักแต่รู้เฉยอ่ะมันจะว่าไปรู้เพื่อเป็นอะไรแล้วเดียวเครียดอย่าเราสังเกตเห็นเนี่ยพยายามค้นหาว่าถูกต้กใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจิตเป็นค้นหา ก, ก็ถูกเรารู้ไม่ใช่เราไปค้นหาไงผู้รู้มันคิดไม่ได้ผู้รู้เนี่ยมันคิดไม่ได้นะพรา์กน์ทำหน้าที่รู้ ส่วนจิตเนี่ยมันคิดมันคนละตัวกันไหนผู้รู้มันมีหน้าที่รู้อย่างเดียวมันคิดไม่ได้แต่จิตเนี่ยมันคิดแต่ผู้รู้หนึ่งก็รู้จิตที่คิดนี่แหละแต่บางทีมันก็ปนปนกันในผู้รู้มันก็คิดไปด้วยเนี่ยแต่ก็เหมาให้มันเป็นสังขารทั้งหมดเลยที่จะต้องไปว่างหมดเดยวกับทั้งเนี่ยฝึกไปเดยวกับทั้งผู้รู้มันปรากฏตัวตนเลยแล้วแต่เกิดอาการที่ถูกรู้แใจผู้รู้มันปรากฏตัวตน ต้องฝึกฝึกอย่างหนักเหมือนเนี่ยเหมือนเราฝึกเล่นกีฬาฝึกเล่นดนตรีอะไรมันต้องฝึกอย่างหนักไม่ฝึกเก่งไม่ได้แล้วทางจะจะมีโชคช่วยหรอกอยากต้องฝึกหมดแนี่คนจะเล่นกีฬาเก่งคนจะเล่นดนตรีเก่งมันต้องฝึกหมดฝึกอย่างหนักเลยนะหนักกว่าพวกเล่นกีฬาพวกเล่นดนตรี อาจจะเป็นว่าช่วงระหว่างระหว่างวันมั้งครับหลงตาระหว่างวันพอตื่นมาทํางานเราก็ไปเผลอเผลอมุ่งแต่เรื่องงานคิดเรื่องงานจริงๆเวลาปฏิบัติมันก็มีครับแต่ว่าเราก็อ้างเหตุว่าเพราะเพราะความก็อ้วเวลาทํางานก็ต้องคิดงานอะไรเงี้ยครับแต่พอเลิกงานก็บอกว่าอ้าวได้เวลาปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติก็ก็จะต้องเข้า หมดปฏิบัติอย่างเดียวเอาปฏิบัติอะไรเงี้ยมันก็เลยก็จะกลายเป็นโซนเข้าเข็ดพยายามไปเออเราปฏิบัติไปพร้อมการทำงานทุกวันเนี่ยทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรต้องรู้ใจตนเองมันจะกลายเป็นความเคยชินไม่ว่าจะทํางานอะไรทํากิจกรรมอะไรไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ําห้องส้วมดื่มกินเนี่ยไม่ลืมที่จะรู้จิตใจตนเองเลยต้องฝึกจนเป็นนิสัยเลยอะ่ะ คือจะทำงานอะไรก็ต้องรู้จิตใจตนเองรู้ก็ไม่ใช่รู้อะไรรู้รู้แค่สักตวรู้คือรู้เพื่อจะปล่อยวางทั้งอาการของผู้รู้และปล่อยวางของอาการที่ถูกรู้ไอ้ผู้รู้เนี่ยก็เป็นอาการปล่อยวางทั้งอาการที่ไปไปรู้แล้วก็ปล่อยวางทั้ ง, นนงสิ่งที่ถูกรู้คือรู้ไม่ได้ เ, เพื่ออะไรก็รู้เพื่อรู้เพื่อจะมีรู้ไวแต่ปล่อยวางหมดเลยปล่อยวางทั้งอาการที่ถูกรู้ทั้งผู้รู้ไม่ใช่ว่าปล่อยวางผู้รู้แล้วไม่ไปรู้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคือรู้อยู่ในเนี่ย แต่ไม่รู้เพื่อไม่ได้รู้เพื่อเอาอะไรคือรู้เพื่อปล่อยวางทั้งอาการที่ถูกรู้แล้ก็อาการของผู้รู้ถ้าเราเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องปกตินิสัยเลยในการทํางานและปกติไม่ไม่รู้สึกว่าเครียดสีเรียสอะไรแต่ถ้าเราเนี่ยตอนเวลาทํางานเราไม่ฝึกรู้จิตใจตนเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอเรา เลิก ง, งนแล้วเรามาตั้งใจเดินจ้ากรมนั่งสมายที่เครียดตายเลยเรามาเร่งเอาตอ น, น, นเครียดจะเร่งให้อาจ เ, เป็นอะไรให้ได้มันต้องรู้รู้เนี่ยไม่ว่ากายจะทําอะไรต้องมีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันว่าเรากำลังทำงานอะไรอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ใจตนเองด้วยก็เหมือนนี่นะที่หลวงพุทธาท่านหลวงพุทธาท่านให้หลักไว้ว่าให้รู้แบบเนี่ยรู้จิตใจตนเองเหมือนกับแม่โคเนี่ย แม่โคเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกน้อยแม่โคเลี้ยงลูกน้อยปากของแม่โคก็เลมย้าเพื่อท้องอิ่มแต่ตาของแม่โคก็เลือบดูลูกน้อยไม่วางตาทั้งท้องของแม่โคก็อิ่มลูกน้อยก็ปลอดภัยต้องฝึกแบบเนี้คือไอที่งานเนี่ยงานเลมย้าเนี่ย ก็คือเหมือนกับว่างานที่เรากำลังทําในปัจจุบันแต่ตาของแม่โคก็เหลือบดูลูกน้อยคือก็ต้องรู้ดูจิตใจตนเองว่าจิตใจตัวเองนึกขนาดเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันปลอดภัยไหมมันเป็นยังไงสตวรู้เฉยไม่ทําอะไรมันหรอมันต้องรู้ควบคู่กันไปอย่างเนี้ยอที่ท่านให้อุบายที่บอกว่าเหมือนในแม่โครเลี้ยงเลี้ยงลูกอ่อนเนี้ยปากของแม่โคก็เลีมหญ้าตาของแม่โคก็เหลือบดูลูกน้อย อย่ตลอดเวลาว่าปลอดภัยไหมพอแม่โคก็อิ่มลูกน้อยก็ปลอดภัยมันก็ได้งานทั้งสองอย่างงานที่เราทําในชีวิตประจำวันก็ได้ด้วยแล้วเอเราก็ไม่ไิปลอดภัยคือเราก็รู้จิตใจของเราไม่ให้ไปไปปรุงแต่งในทางกิเลสอะไรให้เป็นทุกข์มันก็เลยปลอดภัยจากกิเลสและความทุกข์ด้วยนั่นแหละทาอย่างเนี้ยคือให้มันเหมือนกับแม่โคลเลี้ยงลูกน้อยเนี่ยมันก็เห็นภาพง่ายดี ไม่ใช่ว่าทำแต่งานคือกินแต่ย่าแล้วก็ลูกก็ไม่ดูเงี้ยลูกก็โดนอะไรอาไปกินแล้วหรือว่าดูแต่ลูกอย่างเดียวย่าไม่กินตัวเองก็ตายอ่าให้ให้เลยอาดสะอัดได้หมเลยอ่กับกับนุสกันเวลาทำงานจิตมันไปจุดจ่อกับงานคือมันก็ลืมแบบว่า ที่อาจยตาบอกให้พุโทโธพุธโทโตหรือเรียนเรียมตัวรู้นะครับคือสมมุติทํานงานพิมพ์งานก็พิ ม, มพ์มงานที่มันเป็นอย่างเงียครับคือมันไม่ทันมั น, ม, นมันยังไม่ได้ฝึกเนะี่ขาดการฝึกมันขาดการสึกคือมันต้องทำควบคู่กันเนี่ยเหมือนกับแม่โคกินหญ้าตาของแม่โคก็เหลือบดูลูกน้อยเงี้ยคือเรางานก็ทํางานที่เรากาลังทําเนี่ยก็คือแม่โคกำลังกินหญ้า แต่ตา เ, าเ็าอยดูลูกน้อยแต่เดือนเดี๋จิตใจไม่เคยไม่เคยไม่เคยห่างเลยเราไม่เคยฝึกกันตัวเนี้ยเราไม่เคยฝึกมันก็เลยทำไม่ได้มันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมนันขัดขัดเกินเขินจะมดานจะจะาฝึกเฉพาะเรื่องงานแล้วมาเดิน <c oughs> <c oughs> มันังฝึกก็พ <c oughs> เรื่องงานแล้วถึงว่านึกพุทโธได้ว่าเราเลยพุทโธ <c oughs> เดินเป็นอย่างนี้พอพอเราจากงานแล้วแบบนี้ตาเลยบอกเล พอมาฝึกแล้วมันจะเอาให้เป็นเนี่ยควาเครียดความเครียดจะทำอย่างเงี้ยมจะเครียดตายมันคิดว่ามันเป็นงานมัน <c oughs> ก็เลยต้องได้งานอะไรอย่างเงี้ยเอ็น อ, อย่างเงี้ยเครียดเลยนะแต่ว่าเราคิดว่าการฝึกจิตการดูรู้เห็นจิตเนี่ยเป็นเป็นงานที่ต้องได้งานอะไรพอจะมีได้เนี่ยเราเข้าไปมีส่วนได้เสียตรงเนี้ยทุกเลยเครียดเลย คือปฏิบัติเพื่อเพื่อให้มันเหมือนกับเราเล่นกีฬาเนี่ยเราซ้อมกีฬาเก่งๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไปได้อะไรคือซ้อมให้เพื่อให้เกิดก่อนชํานาญเราเล่นไอ้ดนตรตีฝึกหัดได้ดนตรตีไอ้พกเปียโนวพวกอะไรเนี่ยมันเว็นการซ้อมหน่อยก็เลยมาเก่งแหละนี่เราก็ซ้อมเนี่ยไ่อยก็เพื่อให้มันเล่นได้ชํานาญอันนการเพื่อให้มันรู้ชํานาญ ก็เดียได้อะไรหล่ะมันเครียดตายคือมาฝึกปล่อยวางครับมันก็อยากได้ว่าเมื่อไรจะปล่อยวางอะไรอย่างนี้ยครับไม่อยากเครียดแต่อย่างนี้ก็เท่ากับไม่ปล่อยวางเนี่เมื่อไรจะอยากได้ปล่อยวางก็เท่ากับไม่ปล่อยวางเพราะมันมีความอยากได้เงี้ยปล่อยปล่อยปล่อยวางความอยากได้ไปเหมือนก็พออยากได้ปล่อยวางมันก็บางทีมันก็ไปไปหมายว่าตรงนี้แหละที่เราเคยเจอ คือการคือกรรปล่อยวางอะไรเนี่ยมรันก็จะเป็นอพอเราเราต้องรู้ตัวอีกทีหนึ่งว่าอ๋ออย่างนี้เราไม่ปล่อยวางเราอยากได้ความปล่อยวางแสดงว่าไม่ได้ปล่อยวางมันก็ละเอียดละเอียดอ่อนมากแต่ต้องฝึกนะแน่มันก็จะเห็นแน่ละเอียดอ่อนจริงจแต่มันไม่พ้นเนี่ยไม่พน้นที่ความสามารถของมนุษย์ในการฝึกฝนได้ไม่พ้นถ้าเราฝึกฝนจริงๆ มันรู้เห็นได้จริง ๆ, งๆเลงัน้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม่บรรลุอาหารหันต์กันเป็นแถวมันไม่ไม่เกินความสามารถแต่ท่านมันไม่ได้ดับไม่ได้แต่ท่านมันไม่ได้ ไ, ได้มาที่ความสบายๆท่านได้มาในวยความยากลบาบากท่านฝึกตลอดไม่ค่อยได้สุสสดพอดีช่วงนี้ผมมีความรางวัลเรื่องเกี่ยวกับกายผมก็เลยช่วงสองสามวันก็เลยมามาฝึกการดูกายครับ คับกำหนดการก็คือน้อมว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ อ, อหมือนเหมือนผ่าผ่าตัวเองนะครับก็จิตบางครั้งมันก็อยู่กับเรื่องราวมันก็จดจ่อแต่บางครั้งมันก็วูบออกมาข้างนอกมันรับรู้เหตุการณ์ข้างนอกอ่าก็เหมือนรู้เป็นปกติครับแต่แล้วเรา ก, ก็พยายามผมพยายามจะกลับเข้าไปน้อมเหมือนเดิมน้อมน้อมเรื่องกาย เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ออกมาใหม่เป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยเี่ยก็เลยผ่านดางตามันอย่างนี้พอปฏิบัติแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องเอาลาน้อมเนี่ยมันต้องเข็นตัวเองครับ เ, ออเค้นเข้นเพื่อจะน้อมเข้าไปเอยน้อมก็ตัวอย่างงั้นแหละน้อมกายเนี่ยดีแล้วประเสริฐมากแล้วน้อมเป็นกายไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงน้อมมันด้ไปเค็นไปเค้นเครียดเคีย ด, ด, ดตายน้อมเบาๆแต่ต่อเนื่องมีขาดสาย น้อมให้มันเห็นทั้งมโนภาพที่แก่เจ็บตายเน่าเปื่อยผุพังตายแล้วมันเน่าอย่างไงเน่าแล้วมันแห้งไปยังไงแล้วก็มันมันผุพังไปเป็นยังไงเอาไฟเผาแล้วแต่กระดูกแล้วเอาไฟเผาไฟเผาแล้วการเป็นคิดเท่าธุรีไปแล้วก็ไปลอยน้ําทีิ้งเรียกว่าไปลอยอังคารอ่ะก็หายไปหมดมีนานน้อมให้เห็นภาพมโนภาพแล้วมีมีต้งผสมความรู้สึกเลยคือมันเห็นเห็นแล้วก็จะรู้สึกโปร่ปวางไปด้วยคือจิตเนี่ยเวลามันเห็นแล้วไม่ใช่เราไปบีบให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกนะ คือน้อมไม่เกิดเป็นเหมือนกับในร่างกายเราเนี่ยแล้วน้อมร่างกายเราถ้าเราแก่เป็นยังไงสภาพผเป็นยังไงเจ็บเป็นยังไงเราเราสภาพไปเจ็บโรงพยาบาลไปอยู่ไอซูเป็นยังไงตายแล้วมีเสื้อเป็นยังไงตายหลายวันแล้วมีสภาพเป็นยังไงแล้วเวลาไปเผาแล้วมีสภาพผ เ, เป็นยังไงลเงไงล่กน้อมตัวเราชา้ชาช้าช้าช้าให้มันไอ้ทักมีมโนภาพเกิดขึ้นในความรู้สึกเราไม่ต้องไปเครียดน้อมเบา อ, อันเบาๆอันมีมโนภาพเกิดขึ้นในความรู้สึกด้วยเพอน้อมเข้าไปครับก็คือพยายามมีความพยายามว่าอยากให้เรื่องราวมันประจิตประต่อตั้งแตเริ่มต้นยันจบอะไรเงี้ยแ ต, แต่แต่ระหว่างน้อมก็จิตก็จะออกมาข้างนอกมันรับรู้ข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยครับก็กลัวว่าเรื่องราวจะไม่ประจิตประต่อกลัวว่ามันจะไม่ถึงใจงก็เลยต้อง เข็นเพื่อเข็นเพื่อเพื่อกลับไปสู่เรื่องราวเดิมอืมอย่างเงี้ยครับระหว่าฝึกหัดปฏิบัติมันก็มันก็พัดๆแบบนั้นนะบ้างแหละแต่ก็น้อมอย่างนั้นแหละเรารู้เรารู้ว่ามันเครียดไปตึงไปแล้วก็ผ่อนหน่อยครับน้อมผ่อนลงมาหน่อยหนะึ่งเหมือนกับเราเราน้อมแล้วเราตึงเกินไปเหมือนกับเราเหลาดินสอแหลมเปี๊ยะเลยแล้วเราเขียนกดลงไปกอก็กดจกระดาษทะลุนะอเลยครับแล้วก็ มันอาจจะกดมากไปหน่อยเค้นมากไปหน่อยแล้วก็ผ่อนลงผ่อนแล้วก็แต่เราไม่ไม่ละจากการน้อมแล้วก็น้อมให้ต่อเรื่องใบขาดายนั่นแหละแต่น้อมนี่ก็คือก็คือต้องสบายใช่ไหมน้างจาก็คือไม่ได้ไม่มีอาการเครียดตึงอะไรยั่ไงใช่ใช่ใช่แต่ให้มันมันใหม่มันอาจจะยอ่อนตึงไปหย่อนไปนะย่อนปุ๊บก็ไปฟูงต้านอะไอเงีย้ยตึงไปหน่อยมันมืนก็บว่าคนปรับปรับสายกีตาร์สายพินอะ ไม่หมายเนี้ยปั่นไม่จำนานบางทีเราน้อมเบื่อตึงเกินไปเข้นมากเกินไปครับเราก็รู้สึกว่าตึงๆแล้วปวดหัวหนักๆถ้าเราน้อมผ่อนมากเกินไปมันก็สายหย่อนเกินไปก็ฟุ้งซ่านไม่หมายมันยังไม่จำนานพอจำนานมันก็มันก็พอดีแล้วมันก็ติดมนโนนึกอเห็นร่างกายเรามีความแก่แก่แล้วเป็นยังไงค่อยๆแก่สภาพผเป็นยังไงน้อมช้าๆแล้วก็ไปเจ็บป่วยอยู่โรงพยาบาลเป็นอยู่ไอซูเราจะมีเสื้อผ้าเป็นยังไงสายยางเต็มไปหมดเลย นอนช้าแล้วเราก็ตายตายแล้วหลายหลายวันมีสภาพเป็นยังไงกึนอืดพองอุดอุดอืดอุดอุดแล้วเน่าเป็นยังไงเน่าเสร็จแล้วก็ไปเข้ามางานศพเราแล้วเป็นยังไงลดน้ําศพเราก็ใส่ลงใส่ลงก่อนที่จะเผาก็จะเปิดให้ญาติพี่น้องดูเน่าไว้หมดอะญาติพี่น้องก็ไม่ไม่อยากดูเลยแล้วก็เผาไปแต่ยีเตาเผาเป็นยังไงสภาพยี่เตาเผาเป็นยังไงไปลูกโชน เอาเสร็จก็เป็นเป็นขี้เถ้าธุลีเอามาปั้นตุ๊กตาตัวเล็กๆในตัวหนึ่งไงเนี่ยอ้วนใหญ่ขนาดไหนก็เลยแต่เป็นขี้เถ้าธุลีเป็นเอามาปั้นตุ๊กตาตัวเล็กๆเขาก็เอาดอกมะลิเอาหน้าอกไทยมาปมๆเราใส่ห่อผ้าขาวแล้วไปลอยน้ําทิ้งหมดแม่สุดท้ายก็หายหมดเรานึกน้อมเนี่ยมโนภาพเนี่ยเราต้องเป็นอย่างเนี้ยไม่อาจเป็นอย่างอื่นไปได้เราต้องเป็นอย่างเนี้ยไม่อาจเป็นอย่างอื่นไปได้ ร้อมอยู่อย่างงี้เนี่ยต้าซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำอยู่อย่างนั้นเนี่ยร้อมตอนนี้ลาน้องเปใหม่อย่างอย่างยังท่านว่าเนี่ยคือมันเค้นมากเกินไปเพราะอยากจะมาต่อเนื่องมันก็เหมือนคนปรับสายพินใส่กีตาเนมันก็ปรับไปเกมก็ตึงเกินไปเอาหย่อนอัพผ่อนมาหน่อยผ่อนผ่อนผ่อนมากก็ฟุ้งซ่านแล้วกันเนี่ยมันก็เอาพอดีพอดีเดี๋ยวกระจกก็ปรับมันก็เดี๋ยวพอดีปรับไปปรามาก็พอดีไง ไม่ต้องไปเครียร์กับ้างล่ะดีนะอันนี้ดเราสนับสนุนนะเนี่ยน้อมน้อมม่น้ อ, นอมอเห็นสังขารตัวเองไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้เป็นทางตรงและเร็วเร็วมากในการปฏิบัติเออเรามีเรื่องอะไรตรงใสเอวันนี้วันนี้คนน้อยให้ถามทุกเรื่องถ้า เวลาน้อมไปเนี่ยเราก็เห็นว่าใจมันบางทีเหมือนจะเล่งเรื่องราวอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าเราถูกอยู่ไม่ต้องดา่าเรถูกแล้วอาจารยับมันตึงไปแล้วก็ผ่อน ล, ลงมาหน่อยนะแต่ก็ยังน้อมต่อไปครับพอพราะวิธีประสจำผมคือพอน้อมเสร็จเรื่องเสร็จผมก็จะกลับมาดูจิตต่อไม่ไมไม่ต่ออย่าทําอย่างนั้นครับพอน้อมกายอย่างนี้น้อมกายให้ต่อเนื่องเลยอย่างนดูจิตต่อ มันในน้อมกายเนี่ยมันจะรู้จิตรู้ต่อทานจิตไปเองเนี่ยคือระหว่างน้อมกายหน้าเปลือยมูฟังจิตมันจะแวบไปคิดเรื่องอื่นนอกจากบันโนภาพเรื่องเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของตัวเราเนี่ยมันจะแวบไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราก็รู้เราก็รู้ต่อทานทันทีแล้วกลับมาน้อมน้อมร่างกายของเราเนี่ยให้ว่ามันมีสภาพแก่เจ็บตายเป็นยังไงหน้าเปลือยปูฟังเผาไปแล้วเป็นยังไงเราก็น้อมปุ๊บมันก็จะแวบไปยางอื่นเองแวะไปคิดยังอื่นแวบไปคิดอื่นเราก็รู้ต่อทันแล้วกลับมากลับมาน้อม น้อมร่างกายใหม่ความแก่ความเจ็บความตายหน้าเปื่องอุ้งางใหม่คือมันจะแว๊บไปคิดเรื่อื่นเราก็รู้ได้เร็วละจากการคิดเรื่องอื่นให้เร็วแล้วรักลับมาน้อมใหม่อันนี้เราน้อมกายอยู่เท่ากับรู้เท่าทานจิตอยู่แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปแยกว่าโอ้เราน้อมกายจบไปรอบนึงก็มาดูจิตรอบนึงไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่ น, ะ น, นั้นผิดเราน้อมกายเนี่ยให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่ระหว่างเราน้อมมันจะหลุดไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้เท่าทานปั๊บแล้วก็กลับมา นึกน้อมปีน า, นาเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายหน้าปุ๋ยบุภาของตัวเราเนี่ยเดี๋ยวก็แวะไปคิดเรื่องอืง่นละเราก็รู้ตัวทางจิตที่ไปคิดเรื่องอื่นเราก็กลับมาน้อมกายอันนี้มันมันเท่ากับรู้ทั้งกายและจิตเป็นพร้อมกันแล้วไม่ต้องไปแยกที่ผ่านมาคือผมเป็นมั น, มนลักษณะการเชนนะครับหรือค ำ, ค ำ, คำอตา่างๆพอเชนพอจบเรื่องโอ้ยเหนื่อยเน่อยเหนื่อ ย, อยแล้วก็มาดูจิตบ้างพักไม่ได้ อ, อย่างนี้มันจะช้า พอพักก็หลงเพลินไปครับคือมันจะไม่ชัดต้องสองอย่างใช่ครับกายก็จะไม่ชัดจิตก็จะไม่ชัดแบบเนี้ยเห็นจิตก็ไม่ชัดเห็นกายก็ไม่ชัดมันน้อมกายอยู่เนี่ยมันจแล้วจิตหลงไม่คิดอย่างอื่นเนี่ยเรารู้ท้อทานแล้วกลับมาน้อมสังขารไม่เที่ยงอยู่เนี่ยมันมันันรู้กายรู้จิตไปพร้อมกันแล้วอย่างเนี้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปแยกกันคนละตอน ครับลุงตาตอนตอนดูกายก็เวลาจิตไปคิดเรื่องอื่นแล้วว่าหลุดออกมาเนี่ยเห็นชัดเลยครับถูกต้องแล้วหลับใจ<ะ>มันจะอย่างเงี้ยมันเท่ากับเห็นกายเห็นจิตไปแล้พร้อมกันเลยอย่างเงี้ยมันจะละทั้งกายละทั้งจิตไปได้เลยละทั้งจิตคือจิตที่คิดฟุ้ฟงซ่านไปปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปมันจะละไปได้พร้อมกันเลยแล้วเวลาพอเรามาน้อมกายน้อมกายซ้ำซ้ ำ, ซ, ำซ้ำจิตมัน ถลตังเวทร่างกายตัวตนของตนเองและของผู้อื่น mm. ก็จะต้องเป็นแบบเดียวเช่นเดียวกับเราเนี่ยจิตมันโปรงปล่อยวางสังขาร่างกายไปมันก็เท่ามันก็จะเท่ากับปรงปล่อยวางร่างกายและจิตไปเลยดีแล้วแบบเนี้ยขอให้เพียงแต่ว่าเพียงให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะั่คือต้องคอจะเกตการกินนะไอ้ตัวนี้เป็นเป็นสําคัญพุทธเจ้าก็ตัดตัดไว้เลย เรื่องการกินการนอนเรื่องการคุยเรื่องเรื่องไอ้เรื่องการดูการฟังสํารวมอินทรีเนี่ยเราต้องสังเกตดีๆว่ามันเป็นอุปสรรคอ้อะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะน้อมเนี่ยแล้วมันน้อมไม่ค่อยขึ้นเราน้อมอยู่ขึ้นดีๆแล้ว ม, มันไม่ค่อยขึ้นเราต้องสําคัญที่สุดคือถ้ากินอิ่มมันน้อมไม่ขึ้นถ้ากินอิ่มเนี่ยเพราะอิ่มมากเกินไปกินน้อมไม่ค่อยขึ้นอื่นมัน น้องไม่ค่อยติดแต่ถ้ากายเบาเบาใจเบาเบาแล้วกินผักเยอะถ้าเนื้อก็กินพวกพวกปลาพวกปลาเนี่ยน้ําอุ่นห น, น, น่อยน้อุ่นไอ้พวกปลากินเนื้อปลาเนี่ยมันจะไม่ไม่หนักถ้ากินไอ้พวกเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูมันเป็นปั้นๆอย่างเงี้ยโอ้มันหนักทองมันย่อยยากแล้วเวลาน้อมไม่น้อมน้อมยากน้อมยากเราถ้ากายเบ า, าเบากายเบาเบาใจเบาเนี่ยมันจะน้อมง่าย เราสังเกตดูถ้าถ้ามันกินผักนะกินผักแล้วกินเนื้อปลาไม่ไม่กินเนื้อเนื้อปันปันเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูนะอะไรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถ้ากินปลาแล้วมันเบาเบามันมันมันย่อยง่ายเนื้อปลาแล้ว ก, ก, ก็กินผักกินผักมันก็จะกายเบาใจเบาแล้วก็นอนนอนสังเกตการนอนนอนมากเกินไปก็นอนไม่ขึ้นตัวนอนพอดีพอดีนอนน้อยเกินไปบางทีก็ เราสโล่ ส, ลสเลหอยหอยหอยแต่บางคนก็เขามีกําลังนะเขาไม่นอนต่อเนื่องได้หลายวันเขามีกําลังดีสามารถน้อมได้ต่อเนื่องเลยหลายวันเพราะว่ากําลังของเขาดีการกินเหมือนกันเราก็ต้องเราต้องเกตดูกําลังของเราอะ่ะย่างยกตัวอย่างอย่างของเราตอนเราน้อมเรื่องเรื่องกายให้กายให้มีความแก่ความเจ็บความตายความเน่าเปื่อยผุพังไปเผาเป็นทีศเท่าทุเรีหายไปหมดเนี่ย เป็นธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟเป็นอากาศธาตุไปหมดเลยเป็นความว่างไปหมดแล้วเราก็นึกน้อมใหม่ไงเราสังเกตมากเลยละตอนที่เรานึกน้อมเนี่ยว่าเราเราลองกินอาหารถ้ากายเบาใจเบาเราสังเกตว่ามันน้อมติดง่ายต่อเนื่องไม่ขาดสายพอไปกินเนื้อเข้ามันย่อยยากเพราะมันอืดและมีแก๊สเยอะน้อมยากมากเลยน้อมไม่ค่อยขึ้นเราก็เลยเรื่องเนื้อเราก็ผ่อนไปเลยใส่จะกินก็กินเนื้อปลา เราเกิดกินผักผักไอ้ผักที่มันที่มันง่ายๆก็คือใบโบโบกเนี่ยที่เราซื้อมามันมีรากที่เขาติดมาด้วยเนี่ยเราไปจิ้มตรงที่น้ํำแช่เนี่ยมันก็ขึ้นเต็มไป ห, หมดแล้วใบโบโบกเนี่ยเราก็เด็ดเอาใบโบโบกเราใส่ปากเขี้ยวๆๆน้ําดืมออกไปเดินได้เละเดินได้ทั้งวันทั้งคืนนะใบโบโบกเนี่ยเราก็แค่เนี้ยพอแล้วร่างกายเบามากเลยแล้วเราถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่เหม็นไม่เหม็นมาก ถ้ากินเนื้อเข้าไปเนี่ยนะโอ้โหถ่ายว่าเหม็นเหม็นมากเลยเราสังเกตดูเนี่ยเราเลยแม้แต่อาหารนี่สังเกตมากแล้วก็ลดลงมายี่สิบคำหรือสิบห้าคำสิบห้าคำสิบคําหรือห้าคำลดลงมาเรื่อยๆจะเหลือสามคำแล้วดื่มน้ําเลยเอย้มันไม่ไหวเป็นลมเป็นลมแล้วก็เพิ่มมาห้าคำบางที่เราสิบคาเนี่ยสิบคายืนพื้นอยู่เนี่ยมันเบากายเบาใจเบามากเลย แต่พอมันยืนพื้นอยู่ได้สักห้าวันประมาณห้าวันหกวันเจ็ดวันเนี่ยสิบคาเนี่ยร่างกายมันปรับตัวได้สิบวันไอ้พอพอสิบคาเนี่ยห้าวันหกวันมันปรับตัวได้ปุ๊บกลายเป็นว่าไอ้สิบคาอิ่มใช่อิ่มแล้วก็โอ้โหมันไม่เบาเลยร่างกายไม่ค่อยเบาแล้วก็ลดลงมาอีกแปดคำหกคาลดลงมาเรื่อยๆอกคายืนพื้น เราสังเกตดูเนี่ยมันมันยืนพื้นไม่ได้หน่อยเดียวแล้วร่างกายมันปรับได้เลยเก่งมากเลยร่างกายเนี่ยมันปรับได้ปุ๊บติมเลยเราไม่สนใจว่าว่ามันจะอิ่มไม่อิ่มเพราะเราได้เท่านี้คำปุ๊กินน้ําเลยลุกเลยเพราะว่าเรากินสิบคำก็สิบคําแล้วดื่มน้ำแล้วลุกเลยเราก็สังเกตดูถ้าน้อยเกินไปเราสโลสเล่เอ้มันจะเป็นหลมวันทีเราต้องเอาลูกอมมาอมเพราะว่ามันทำท่าจะเป็นห ล, ล่อมใช่ี่ย แล้วมันก็เกินไปหัวทิมอยู่เรื่อยๆเราก็เลยอกินเพิ่มมานหนิดนึงแต่เพิ่มมานิดนึงมางทีก็นักเกินไปเราก็ลดลงไปเล่ามาเล่ามอยู่อยู่อย่างเงี้ยเราสังเกตมากเรื่องการกินเนี่ยเราก็อีกอย่างหนึ่งคืออาหารที่มีรสจัดทําให้น้อมติดยากเอาหารที่มีรสจัดทั้งหมดเนี่ยทําให้น้อมน้อมในพวกอาสุภกรรมฐานมรณาติเนี่ยมันติดยากกินในพวกรสจัดแหละ โดยเฉพาะไอ้พวกที่มีกินเผาจัดด้วอย่างไอง้พวกส้มตำปลาร้าเผ็ดๆเนี่ยกินเข้าไปโอ้โหเลอะออกมาแล้วมันน้อมไม่ค่อยน้อมยากน้อไมไอ้พวกคนนี้ยากเพราะว่าวมันมีแกส๊สเลอะอะไรออกมาเหม็นมาเลยแต่เวลาจะน้อมเรื่องเรื่องสังขารไม่เที่ยงเนี่ยมันน้อมยากของเรานะและอีกอย่างนึงอาหารที่ให้คอลอรี่สูงเราสังเกต ด, ดูมันทําให้น้อมติดยากเช่นคุณไปกินไข่กับ กินไข่กับกล้วยน้ําว้าในในมื้อเดียวกันเนี่ยโอ้โหมันนอนติดยาเพราะมันให้แคลอรี่สูงพลังงานสูงมันมันไอ้พวกอันนี้ยมันเป็นตัวกระตุ้นพลังแคลอรี่สูงแต่คุณคนขืนุณกินไขดน่ด้วยกินกล้วยน้ําว้าด้วยกินน้ําผึ้งด้วยอย่างเงี้ยเอาสมกันไปเนี่ยแล้วกินอาหารพวกปรุงปรุงผ ง, ง, งชิลรสปรุงอะไรเยอะๆเนี่ยโอ้โอันนี้กัยากน้อมติดยากสรุปแล้วคือคุณปลูกผักเองอะ่ะ ไอ้ใบโบโบกมาจิ้มน้ำแช่ๆๆๆแช่แช่เนี่ยโอ้ยเอาเด็ดเด็เด็ดมาแล้วก็ใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวเี้ยวน้ำดื่มเดินดเดินจุกลมได้ทั้งวันอันนี้ยเบามากเลยแล้วก็น้อมติดง่ายทั้งวันแล้วก็ไอการคุยกับหมูคณะเราอุตส่าห์ระวังตัวมากเลยในการคุยกับหมูคณะบางทีเนี่ยพวกเพืพ่อนๆเน่ยชอบคุยสัพดีสีประดนเรื่องเรื่องทะลึ่งทะลึ่งพอเพื่อนกลับไปแล้วกลางคืนเราามาน้อมเนี่ย โอ้โหน้องติดยากเพราะว่าไอ้เรื่องทะลึ่งทะลึ่งเหมือนเข้ามาแทรกหมดอะเพื่อนมันคุยเรื่องสับ ป, ประรดสีบดอ น, นอะไรงเงี้พอตกกลางคืนเรามาเดินอยู่คนเดียวมันเงียบเงียบเนียเน่ยเอาไอ้เรื่องที่เพื่อนมันคุยมามาปรุงมาปรุงแทนในภาพที่เราแก่เจ็บตายอ่ะปรุงไม่ค่อยขึ้นอะมันเสียหายมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดูเอ๊ะเมื่อก่อนในหนันงสือพิมพ์หน้านหนึ่งเนี่ยหนังสือพิมพ์ หน้าหนึ่งเนี่ยไทยรัฐเดลีเนียเนี่ยมันจะมีแต่ภาพภาพผู้หญิงไงแต่งตัวเปืเป่อยๆลุ่มบิกินี่แล้วก็ใส่ใส่เสื้อบิกินี่นะไอหน้าหนึ่งของไทยรัฐเดลี่เมื่อก่อนเนี่ยเดลี้มีเปล่าหรืออ่ะเอะอไอเนี่ยมันแตกจริงๆเลยมันมีอิทธิพลมากนะไปดูมันเข้าเนี่ยแล้วไอไ อ, ไอไหมวดหน้าด้าดาราโอ้โหพอตรงคืนไปเดินจกรมนะไปน้องพิยนาณะ ไปไปไปน้องพี่นาก็น้องไม่ค่อยติดมันต้องสังเกตนะต้องสังเกตเอาพวกเนี้ยต้องตาต้องหูไปดูอะไรไปฟังอะไรต้องสังเกตเราไปคุยกับหมูนณะเลยเนี่ยต้องสังเกตละเอียดพวกเนี้ยแล้วจะช่วยนี่พระเจ้าเป็นคนสอนไว้เองเลยนะในเรื่องในเรื่องการบริโภคเนี่ยปัตตานยุตตาจะปัตตสบิงเนี่ยกว่าเป็นผู้รู้ประมาในการบริโภคเนี่ยการกินอยู่การกินกันอยู่การการกินการนอนเนี่ยการเสพในนาสนะเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ ละเอียดเราข้อับพองควรแล้วก็มันจะมันจะไม่อุปสรรคต่อกันน้องพี่นานถ้าคุณกายเบาใจเบาเราลองเกต ด, ดูเนี่ยากล้องเนี่ยถ้าทําอย่างเราว่าเราเกตถ้ากายเบาใจเบาจะติดง่ายตอนเนี้ลองเกต ด, ดูพวกนี้นะแล้วก็จะเร็วแล้วระหว่างวันนะครับระหว่างที่เราใช้ชีวิตประจำวันทํางานคบเพื่อนฝูงอยู่เนี่ยอ่า เราจะนอนยังไงครับหลวงตาเราพอเราเราเก่งแล้วเนี่ยเราน้อมเก่งแล้วเนี่ยของเราเนี่ยไม่ว่าจะทํางานอะไรเราแอบนอมในใจได้คือเราจะเราไม่ว่าเราอยู่ในบทไหนเราแอบนอมในใจของเราตลอดเราเตอนนอมเราสามารถน้อมในใจเราไปได้ควบคู่กับการทํางานควบคู่กับอยู่กับคนอื่นเราแอบน้อมในใจได้มีคนเคยถามว่ามันน้อมได้ยังไง อาจารย์มันน้อมได้ยังไงว่าทำไมไม่ได้เวลาคุณทํางานคุเห็นคุณคุณนึกถึงนัดกาแฟจะไปกินข้าวยังนึกได้เลยกลายทํางานอย่างนึงใจเป็นนึกว่านึกถึงแฟนที่นัดกินข้าวกันไว้มันยังนึกได้เลยทำไมจะทำไม่ได้มันก็จะไม่จบเรื่องอิสระตต่างจบเรื่องไง <c oughs> คือมันจะไม่ปฏิปโตอ่ออย่ันแบบเหมือนเห็นแบบว่าสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่แ<อ>บบนี้ได้ปฏิปโตเลย เออเราต้องแชร์ปฏิปทาต่อเลยนึกเดิมต่อในใจก็นึกคูกน่ น, น, น, นึกคู่ไปกับการทํางานได้ปฏิปทาต่อมันเป็นเหมือนกับเป็นมโนภาพที่เรารู้สึกไว้ในใจอะ่ะมันเป็นมโนภาพที่มันมันจับไว้ได้เลยแต่ยังว่าต้องต้อ ง, องชํานาญมากมันถึงภาพจะในแบบไหลลื่นจนแบบใช่ๆๆใช่ใช่นานพอภาพนี้เราไม่เอ็ภาพนิ่งไงพอเรานึก น, น, <ะ S 2> น้อมติดปุ๊บเราก็ให้มันค่อยคนึกน้อมให้มันเน่าเปื่อยผุพังสลายไป อย่าทำเป็นภาพนิ่งครต้องนึกน้อมนำล่องมันให้มันเน่าเปืป่อยบูพางสลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นอากาศธาตุเป็นตังเป็นความว่างไปว่างปล่าจากจตัวตนให้มันว่างเปล่าจากตัวตนไปอย่าทําเป็นภาพนิ่งนะภาพนิ่งผิดจะทําทภาพนิ่งผิดมันจะกลายเป็นเพกกระสินจะทำแบบหรือพวกฤาษีอย่างเงี้ยแต่ภาพนิ่งต้องนึกน้อมให้มัน เออเน่าเปผุพางสลายไปครับมันบางทีถ้าถ้านึกแล้วเราเรายังไม่เห็นภาพานะครับเหมตาภาพไม่มาแล้วก็ขยันนึกไปบ่อยๆเดีย๋ยวมันจะบางทีไม่เห็นภาพหรอกมันเป็นความรู้สึกบางทีภาพไม่เกิดมันเป็นความรู้สึกไม่มีภาพแต่เป็นความรู้สึกว่าเออมันมันอย่างเช่นไในสีนอมีที่เกิดสีอนอมีที่ภาคใต้ที่มัน คนตายเก็บศพไปซานาเน่าเยอะๆมันเป็นเป็นความรู้สึกขึ้นมาว่าเนี่ยมันมันคนตายเยอะๆมันขึ้นอืดพองเปื่อยเน่ามันเป็นอย่างเงี้ยแต่ภาพมันไม่ภาพมันไม่เห็นชัดมันดูดูทว่าทัดหรอมันเป็นเป็นความรู้สึกว่าคนมันตายเยอะๆแล้วเน่าอืดหมไเลยเราก็นึกน้อมอย่างงั้นแหละมันไม่ได้ถึงกับเป็นภาพชัดมันดูทว่าทัดหรอมันเป็นความรู้สึกว่ามีคนตายเยอะเน่าเป็นยังไงในความรู้สึกเนี่ยมันมีสองอย่างคือความรู้สึกรู้กับความรู้สึกเห็น คือเห็นเนี่ยเห็นเป็นภาพชัดเจนในตัวท่านกับความรู้สึกรู้มันรู้สึกว่ามันมีอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยในใจเราครับเป็นจินตนาการอย่างเออเป็นจินตนาการคเขาจึงใช้คำว่าไงยอย่างเวลาฟังเราพูดแบบนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นสุตตะมยักปัญญาคือเป็นปัญญาที่ฟังฟังเราพูดว่าวิธีน้อมนั่งทําอย่างไรแล้วก็เอาไปจินตนาการให้เกิดเป็นความรู้สึกรู้หรือเป็นความรู้สึกเห็นจริงที่ในใจเรา อย่างนั้นจริงๆอันนี้เรียกว่ากินตามียะปัญญาตอนแรสุตตะมยะปัญญาคือฟังอฟังวิธีน้อมแล้วก็เอาไปที่เรากว่าเป็นจินตนาการใช่ไหมคือเนี่ยแหละเอาไปจินตนาการเป็นจิตจินตามยะปัญญาเอาไปดึกน้อมให้เกิดขึ้นจริงๆเป็นเป็นความรู้สึกรู้หรือรู้สึกเห็นจริงๆใน ใ, น ใ, น ใ, น ใ, นใจเราใช่ปะโอ้ยคนก็ตายสึนามินี่มันเน่าไว้หมดเลยตัวเราก็เน่าคงเป็นอย่างงี้นี่ยแล้วก็ ิมันก็ปงปล่อยวางเนี่ยเป็นภาวานามายาปัญญาขยันก็นะแต่ต้องตังเกตในการกิดกันอยู่การดูการฟังการคุยกับหมู่คณะนะที่สำคัญเรื่องหมู่เรื่องหมู่คณะนี่ครับมันเจบ่อยเวลามันคืนมาก็โอเรื่องราวช่วงกลางวันช่วงนั่งคุยกันเนี่ยครับตามมาตลอดเลยครับ เดี๋ยวเราจะสังเกตเองเนะว่าอะไรเป็นอุปสรรคมันน้องไม่ค่อยติดแต่จะค่อยๆสังเกตเองว่าอะไรเป็นอุปสรรคเราเราก็ค่อยเลี้ยงๆมันเราก็ทำในทําการตอนเราเป็นฆราวาสนะเราไม่ได้มาทเำจนผ้พาพเราตอนตอนทำตอนเราตอนเป็นผู้อาสาเนี่ยเราก็ต้องไปงานเลี้ยงเยอะเรวก็เชเป็นงานเลี้ยงงานเลี้ยงเนี่ยแต่เราก็มันึกนอ้อมสนติดเนี่ยพอฝึกปฏิบัติแล้วมัน มันที่ดวงตาบอกครับมันมันมั น, มนหวังผลครับดวงตามันก็บอกอยากจะมีบอกว่าป่ายบอกทางว่ามาคุณมาถูกทางแล้วอะไรมันกี่มาทูกทางคือ<า><ห> น, น้อมแล้วมันปล่งปล่อยวางโปร่งปล่อวางโปร่งปวางแล้วมนโนภาพมนโนน้วความรู้สึกเนี่ยชัดเจนว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องหน้าเผื่นผุพังสลายไปไม่เหลือตัวเหลือตนเป็นธาตุดินน้ํำลมไฟเป็นความว่างป่าจากตัวตนไปมัน มันชัดชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นมันรู้สึกปรงไป้วางมากขึ้นชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นปรงไป้วางมากขึ้นตรงเนี้ยอันนี้แสดงว่าเดินทางมาถูกแล้ว